กลับที่อยู่ของตนนะ่ะว่าเธอทั้งหลายจงกลับเสียแต่บัตรนี้เธอทั้งหลายจงกลับเสียแต่ที่นี้เถิดเธอทั้งหลายอย่าประมาทเพราะนั้นเขาชาวบ้านก็เลยเรียกว่าซอกประมาทะซอกมาประมาทะนะก็พระภิกษุทั้งหลายเนี่ยเห็นว่าพระเถระคือพระมหากาัสปานี่มีญาติและก็มีคนอุปถาคมากมายเพราะท่านเป็นผู้เกิดอยู่ที่นั้นแล้วก็ คุณธรรมบท่านก็แพร่ขยายไปในกรุงราชครืแคว้นมคธนั่นแหละมากมายเยอเกินก็ตำหนิติเตียนท่านเลยว่าโอ้ยจะไปได้แค่ไหนกันอย่างเก่งก็ไปแค่ซอกมาประมาทะนั่นแหละเดี๋ยวก็กลับเพราะยังไงก็ต้องห่วงกังวลญาติของเราอุปถากของเราเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะพระพระที่มันไม่หมดกิเลสมันเป็นอย่างนั้น เอ๊เดี๋ยวญาติเราจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวอุปถากเราจะมาถวายเรามาไม่เจอเราแล้วทำยังไงเรียกว่าธุระยุ่งทั้งวันนะ่ะพระเลยนะแม้พระศ า, ศ า, ศาสดาสเสด็จหลีกไปสู่ที่จาริกนะก็ดำรีว่าก็ทรงคิดนะพระ อ, องค์ทรงคิดว่าในนครนี้ทั้งภายในภายนอกมีมนุษย์อยู่สิบแปดโกดภิกษุจะต้องไปในที่ ทำบุญของมนุษย์ทั้งหลายมีอยู่เราไม่อาจทำวิหารให้ว่างเปล่าได้เราจะให้ใครกลับคือจะต้องมีพระที่คอยเจริญศรัท ธ, ธาเขาอะทาพิธีกรรมให้เขาได้ไม่ใช่ชาวบ้านบอกพระไปเกลี้ยงวัดเวลุวันเลยไม่เหลือเลยกรุงเราจะคลื่มหาพระทำบุญไม่ได้ใส่บาตไม่ได้งั้นก็ไม่ถูกก็ต้องมีเหมือนกันพุทธเจ้าก็คิดอย่างนี้ พระองค์ทรงมีพระปริวิตกคือทรงมีความคิดอย่างนี้ว่าพวกมนุษย์เหล่านั้นทั้งเป็นญาติเป็นอุปถาของกัสปะเราควรให้กัสปะกลับพระองค์จึงตัดกับพระเถระว่ากัสปะเราไม่อาจทำวิหารให้ว่างเปล่าได้ความต้องการด้วยภิกษุในการทำงานมงคลและงานอาวมงคลทั้งหลายของพวกมนุษย์มีอยู่เธอกับบริวารบริวารคือลูกศิษย์ของตนจงกลับเถิด พระเทระก็ทูลว่าสาธุดีแล้วพระเจ้าค่าแล้วก็พาบริษัทบริวารกลับพิกูุ์ทั้งหลายได้โอกาสก็เลยทีนี้ก็เลยลินทากันใหญ่เลยว่าแหมเห็นไหมล่ะเราพูดกันอยู่แบบแบบเองนะด้วยเหตุอะไรเนี่ยพระมหากษัตปรปิจึงมาทำเป็นสักจีวรโอ้ยยังไงก็ไม่ไปกับพระาศาสดาหรอกเนี่ยจริงไงล่ะจริงเดี๋ยวนั่นเลยเนี่ยพระาศาสดาให้กลับแล้ว พระพุทธเจ้าได้สดับถ้อยคําแล้วก็สเสด็จกลับประทับยืนตัดว่าพิสูจ์ทั้งหลายเธอกล่าวเรื่องอะไรกันพิสูจ์ทั้งหลายก็กล่าวทูลเรื่องทั้งหมดตามแนวความที่ตนได้สนทนากันไวแสดงว่าพระพิกูจ์ทั้งหลายสมัยก่อ น, นก็ไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ย่อยนะทั้งดังนี้พระเถระก็มีคุณความดีมหัศจรรย์มากมายเนี่ยแต่อย่างว่าเราพิสูุเหล่านี้เป็นผู้มีกิเลสมันก็ ไอ้กิเลสมันใช้ทําเรื่องดีเนยไม่ค่อยไม่ค่อยมีมันชอบเที่ยวแสหาโทษคนอื่นนะ่ะไอ้ตัวเองเนี่ยไอ้กิเลสมองแล้วดีทั้งนั้นเราดีที่สุดนะทั้งที่ชั่วที่สุดนะล้วก็ว่าเราดีไอ้กิเลนเป็นอย่างงั้นไอ้เรื่องของความโลภเรื่องของไอ้โทสะเนี่ยมันจะเที่ยวเพ่งโทษของคนอื่นง่ายโทษของตนเนี่ยไม่เอาโทษของตนก็ เอนี่นหน่อยๆน่อยนะไม่เป็นไรหรอกเอาความดีมาคุยได้อีกเป็นอย่างนั้นมันต้องปัญญานะปัญญาเนี่ยมันจะเพ่งเสมอกันโทษเราโทษเขาเท่ากันเอาโทษเรามากๆาีไว่เาเพ่งโทษเราแล้วเนี่ยไอ้โทษนี้มันอยู่กับเราไอ้ความไม่ดีนี่มันอยู่กับเรามันก็เดือดร้อนเราเพราะนั้นเพ่งโทษของเราเองเพื่อจะไม่ได้ให้โทษนี้มันเกิดขึ้นนดีที่สุดมันก็เหมือนกับเราเพ่งไอ สิ่งที่จะมาทำร้ายตัวเราเองคอยเท่งคอยตรวจดูอยู่อย่างเงี้ยดีกว่าไปดูไอ้สิ่งที่จะไปทำร้ายคนอื่นเขาเพราะคนอื่นก็ชีวิตคนอื่นเพราะฉะนั้นปัญญานี่มันจะมันจะไม่เหมือนกันมันเพ่งเหมือนกันนะแต่มันเพ่งคนละแบบปัญญานี่มันจะเพ่งลักษณะความจริงของของกิเลสว่าเป็นอย่างไรนะเออกิเลสเป็นอย่างนี้จริงจริงนะที่รายมันก็เป็นอย่างเงี้ย ไม่เปลี่ยนสักทีไอ้โทสะมันมีหน้าที่เพ่งโทษมีหน้าที่ประทุษร้ายทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ทำอย่างนั้นจริงๆเราจะเห็นแม่ข่าวใครฆ่าตัวตายมันฆ่าโดยอะไรคฆ่าโดยโทสะนะ่ะนักธุรกิจอะไรหมื่นล้านประสบความล้มเหลวนะเลยเอาปืนมายิงตัวตายอะไรทําให้เขายิงตัวตายก็ไอ้โทสะ มันโทษว่าตัวเราไม่ได้เรื่องก็เลยตายตั้งอะไรอย่างเนี้ยแต่ถ้าปัญญาแล้วเอ้ยมันเรื่องปกตินี่มันเรื่องปกติมีลาบก็ต้องเสื่อมลาบ ม, มีตั้งบริษัทก็ต้องมีล้มบริษัทมันมีเรื่องปกติไม่จำเป็นจะต้องเป็นฆ่าตัวตายตัวเตยที่ไหนหรอกแต่ปัญญามันไม่ค่อยได้ใช้งา น, นก็เลยไม่ค่อยเห็นความจริงแต่ถ้าใช้งานแล้วมันจ ะ, จ, ะ จ, ะจะดีที่สุดเลยมาเพ่งโทษคือเพ่งกิเลส ต, ตัวเองเนี่ย มันมีอยู่ประจำนะเอาโลภะกัโทสะแล้วกับความเิ็นแก่ตัวเนี่ยเอาสาตัวนี้ก็ไม่ไหวอยู่แล้วเพ่งไม่ไหวอยู่แล้วนะเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นภิกษุเหล่ า, น, น, ลานั้นก็กล่าวโทษพระมหากัะสปะอย่างนี้พระศาสดาตัดว่าพิสูจนทั้งหลายพวกเธอกล่าวหากกรสปะว่าข้องแล้วในตระกูลและในปัจจัยทั้งหลายคข้องในที่นี้ก็คือผูกพันด้วยโลภะนะ หวงห่วงนะหวงตระกูลห่วงปัจจัยสี่แต่ความจริงเธอคือพระมาหากรสปะเทระกลับกลับไปสู่วิหารนะ่ะไปสู่ถ้ำปิดผลิของท่านนะ่ะเพราะคิดในใจว่าเราจะทำตามคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้คิดว่าจะกลับไปหาอุปถากรจะกลับไปหาปัจจัยสี่คิดว่าทำตามพระพุธทธเจ้า กัสสปะนั้นแม้ในการก่อนเมื่อจะทำความปรารถนานั้นคือนี้ต้องต้องต้องกลับไปเรื่องเก่าแล้วนะก่อนที่ท่านจะเป็นพระมหากัสสปะเนี่ยท่านได้ทำบุญแล้วท่านได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้เมื่อทำบุญเสร็จว่าเราพึงเป็นผู้ไม่คล่องในปัจจัยสี่ มีอุปมาดังพระจันทร์สามารถเข้าไปสู่ตระกูลทั้งหลายได้คือว่าพระจันทร์เนี่ยเมื่อเวลาขึ้นมาแล้วเนี่ยส่องแสงไปเนี่ยไปทั่วไปหมดนะนะไปทั่วทุกบ้านแต่ไม่ไปติดอยู่ในบ้านใดบ้านหนึ่งนะไม่ได้ว่าพระจันทร์มาถึงบ้านนี้แล้วโอ้บ้านนี้นี่แหมคนสวยเหลือเกินต้องอยู่ดูนานๆไม่ใช่อย่างนั้นก็ขึ้นแล้วก็ไปจนตกกันแหละ ไม่คล้องอยู่ในบ้านใดเลยตามปกติเป็นอย่างนั้นฉันใดก็ดีขอให้ตัวท่านจงเหมือนพระจันำคือเข้าเข้าไปสู่บ้านทั้งหลายแล้วโดยไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่ในปัจใจสี่หรือในตระกูลนั้นเลยเนี่ตั้งความปรารถนาไว้ก่อนแล้วตั้งแต่เป็นอุบาสกาชื่ออะไรจําไม่ได้แล้วนะกาสปะนั้นไม่มีความคล้องในตระกูลหรือในปัจจัยทั้งหลาย เราเมื่อจะกล่าวข้อปฏิบัติอันเปรียบด้วยพระจันทร์และข้อปฏิบัติแห่งวงของพระอริยะก็กล่าวอ้างกัสปะได้เป็นต้นหรือก้าวกล่าวก้า้างกัสปะให้เป็นตัวอย่างเป็นต้นคือคือบุคคลเช่นพระมหากัสปะเนี่ยไม่ใช่ว่ามาํมาทำเฉพาะในชาตินี้นะในชาติแล้วแล้วมาก็ได้ตั้งใจทามาแล้ว แล้วถ้าจะยกย่องท่านในข้อปฏิบัติที่เสมอด้วยพระจันทร์หรือวงของพระริยะคือพระริยะทั้งหลายเนี่ยมีวงคือมีการประพฤติสืบกันมาด้วยความสันโดษมักน้อยในปัจจัย่คือได้ปัจใจสี่จะเป็นจีวรเป็นต้นได้อย่างไรก็พอใจอย่างนั้นแล้วก็มักน้อยคือปกปิดคุณธรรมที่ตนเองมีอยู่ไม่ไปเปิดเผยให้ใครรู้ ตนเองมีคุณธรรมเป็นพระโสดาบันหรือเป็นพระอริยะบุคคลชั้นสูงสุดก็ไม่เปิดเผยอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระมหากัรสปะเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยที่พระเจ้าทรงอ้างถึงภิกษุทั้งหลายได้ทูลถามพระศาสดาว่าก็พระเถระตั้งความปรารถนาไว้เมื่อไหร่พระภิกษุก็สงสัยอีกว่าเอ๊ะตั้งไว้เมื่อไหร่เนี่ยความปรารถนาว่าจะไม่เป็นผู้ข้องในสกุลเนี่ย ตั้งยากนะเราทุกวันนี้เราฟังเรื่องของท่า น, นเราเคยคิดตั้งบ้างไหมว่าด้วยบุญอันนี้สมมติว่าเราไปไหว้พระหรือเราไปให้ทานทำบุญสังฆทานหรืออะไรก็แล้วแต่ข้าพเจ้าขอตั้งความปรารถนาว่าอย่าได้มีใจเกี่ยวข้องในปัจจัยสี่ทั้งหลายนี้เลยเราเคยตั้งความปรารถนาไว้อย่างนี้ไหมถ้าเราเคยก็นับว่า เราได้สะสมอุปนิสัยเอาไว้แต่ไม่เคยส่วนใหญ่จะไม่เคยมีแต่ว่าเราถวายทานนี้แล้วขอให้เราได้ผลทานนี้มากๆไปอีกนะมันตั้งความปรารถนาไว้อย่างนั้นมันไม่ได้ตั้งให้มันถูกเรื่องถูกราวนะว่าเนี่ยถ้าเราได้ให้ทานอันนี้ไปแล้วเนี่ยขอให้เราหมดความโลภในปัจจัยทั้งปวงใน รูปประขันหรือนามปขันทั้งปวงเนี่ยขอใหเราหมดความโลภสักทีเนี่ยเหมือนกับที่เราสละสิ่งของมีบินทบาดนี้ไปได้อะ่ะเนี่ยขอให้เราสละกทุกสิ่งทุกอย่างไปได้อย่างเนี้ยเราคงไม่ค่อยได้ตั้งไหว้หรอกอันนี้เป็นความฉลาดของท่านเพราะฉะนั้นพระาศาสดา ก, ก็ถามพระภิกษุว่าพวกเธอประสงค์จะฟังหรือภิกษุทั้งหลายบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าข้าประสงค์จะฟังะ พระพุทธเจ้าก็ตัดว่าดูกนภิกษุทั้งหลายในที่สุดแต่แสนกับแห่งกับนี้พระพุทธเจ้าทรงพระนาม ว, ว่าปทุมุตตะทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกแล้วก็ตัดความประพฤติของพระเถระทั้งหมดซึ่งก็ได้กล่าวไว้แล้วนะจะไม่เอามากล่าวในที่นี้อีกแต่โดยเฉพาะความปรารถนาของท่านตั้งไว้ตั้งแต่ตอนนั้น อาตมาคงต้องไปตั้งบังแล้วเนี่ยนะไม่เคยคิดจะตั้งเลยเนี่ยต้องไปตั้งบังแล้วนะก็ตั้งเหมือนกันแต่ไปตั้งเรื่องอื่นละเพราะว่ามันไม่ได้มีไอ้ความเกี่ยวข้ อ, ของกันนะนะคือมันต้องไปคิดซะก่อนว่าเราเนี่ยโอ้โหมาโลภมากังวลมาห่วงใยอยู่กับคุติอยู่กับจีวร อ, อยู่กับอาหารเนี่มันกลุ้มใจแท้ๆเลยมันต้องคิดอย่างนี้ซะก่อนนะ แล้วถึงจะไปตั้งความปรารถนาได้นะว่าโอ้ขอไอ้ความกังวลอย่างนี้อย่าได้มีกับชีวิตจิตใจเราต่อไปอีกเลยแต่ถ้ามันไปเห็นว่าเป็นความสุขก็ตั้งไม่ได้เอ้ยนี่เราดีนะมีกุติดีเนะี่ยเรามีจีวอใช้ดีอนะไรเงี้ยมาไปคิดอย่างนี้ถสดนะไม่เห็นโทษนะั่นไม่ได้นะมันต้องเห็นโทษเห็นคุณซะก่อนเห็นโทษของความเกี่ยวข้องด้วยกิเลสและเห็นคุณของการไม่มีกิเลสซะก่อนจึงจะไปตั้งความปรารถนากับบุญของเรา การภาษาสดาตัดบูรพะจริตนะจริตก็คือข้อประพฤติก่อนของพระเถระให้พิสดารแล้วในพระพุทธเจ้าเนี่ยนำเอาเรื่องความดีของพระมหากษัตริยมาแสดงนะไม่ใช่ไม่ใช่พระเถระแสดงเองเหรอกพุทธเจ้าแสดงแสดงให้พระภิกษุทราบก่อนแล้วจึงตัดว่าภิกษุทั้งหลายเพราะอย่างนี้แลเราจึงกล่าวข้อปฏิบัติอันเปรียบด้วยพระจันทร์และข้อปฏิบัติแห่งบงของพระอริยะ อ้างเอากัรสปะบุตรของเราให้เป็นตัวอย่างชื่อว่าความคล่องในปัจจัยก็ดีในตระกูลก็ดีในวิหารก็ดีในบริเวณก็ดีย่อมไม่มีแก บ, บุตรของเราเอาละคล่องในอะไรบ้างปัจจัยสี่มีจีวรบิณฑบาต ท, ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแล้วตระกรูลตระกรูลตระกรูลที่เป็น ญาติก็ดีหรืออุปถามก็ดีวิหารวิหารก็วัดทั้งหมดนะ่ะบริเวณบริเวณก็ที่ดินที่ดินที่เกี่ยวข้องที่เป็นของสงของวัดอะไรต่างๆเนี่ยย่อมไม่มีแก บ, บุตรของเราบุตรของเราไม่ข้องในอะไรอะไรเลยเหมือนพญาหงร่อนลงในเปลือกตมเที่ยวไปในเปลือกตมนั้นแล้วก็บินไปฉะนั้น คือข้อเปรียบเทียบขอบพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องเป็นข้อเปรียบเทียบที่ดีนะและตรงพญาหงเนี่ยเขามีนิสใสลงไปในเปลือกตมนะแต่เขาสะอาดเขาไม่สกปรกเขาก็ไม่ติดเปลือกตมนั้นนะคือล่อนลงไปแล้วก็บินไปไม่ใช่ติดอยู่อยู่กรบตรมนะไม่ใช่เป็นอย่างนั้น เป็นข้อเปรียบเทียบของพระมหากัสปะเทระซึ่งเข้าไปในบ้านก็ดีเข้าไปในตระกูลก็ดีอยู่วัดก็ดีได้ปัจจัยสีก็ดีใช้บริโภคแต่ไม่ได้เคยมีโลภะความคล้องว่าโอ้ยนี่เราได้ของดีใช้นะแหมของนี้เป็นของมีค่านะเรานี่มีลาบมากนะเรานี่เป็นผู้ยิ่งใหญ่นะมีสกุลมากมายเดินหอมล้อมหน้าล้อมหลังอะไรอย่างนี้นะ ประกาศเกียรติคุณของเราเหมือนอย่างคนอื่นนะไม่มีแต่คนสมัยนี้ชอบท่านไม่เป็นเช่นนั้นหรอก ท, ทั้งที่ท่านมีคนนับถือท่านสิบปดโกดห้เรามีนิดนหน่อยๆชอบโชว์นะชอบโชว์พวกหน้ามาะพวกะหน้ามาะชอบชอบไปโชว์เพราะฉะนั้นท่านพระพุทธเจ้าจึงได้แสดงธรรมโดยอาศัยเรื่องของพระมหากรสปะนั่นแหละเป็น หัวข้อแสดงว่าอุยย ah ุนชันติสติมันโตณนิเกเตระมันติเตหังสาวะปันลลังหิตวะโอกโมกังชาหันติเตแปลว่าท่านผู้มีสติย่อมออกมันแปลแล้วยังไงกันไหมครับแปลตัวเองก็ไม่ชอบแล้วเนี่ยย่อมออกไม่ดูเรื่องคำว่าย่อมออกนี่หมายถึงอะไรเอายี่เสก่อนท่านผู้มีสติ ท่านพูดถึงความภัยบู์แห่งสติภัยบูรเนี่ยคือเต็มคือสติไม่ไม่หมดของเราเนี่ยมันสติน้อยนะไม่มีสติเยอะไม่มีสติแล้วมีอะไรแนละ้มันก็มีโรคโกรธหลงนั่นแหละนะคือว่าท่านผู้มีอาสะวะสิ้นแล้วนเนี่ยไอเนี่ยคนที่จะภัยบู์สติภัยบู์ได้อาสะวะต้องสิ้นอาสะวะเนี่ยอะไรกิเลสที่มันย้อมใจหมักดองอยู่เหมือนเหล้า ที่กินแล้วไปย้อมใจให้คนเมานะมีทิฏฐาสะวะกิเลสคือความเห็นผิดว่ามีตัวตนในขันธ์ห้ากามาสะวะกิเลสคือความยินดีในการมาคุณเป็นต้นนะไม่เอาต้อเอาหมดอนะของใครยังไม่สิน้นแล้วก็ให้สติจะไพบูรณ์มันไม่มีอะกิเลสมันทาให้สติไม่ไพบูรณ์แต่ถ้าอาสะวะสิ้นแล้วใจเนี่ยไม่มี ไอสิ่งที่ย้อมติดใจคืออาสวะกิเลสมีความเห็นผิดมีการ ม, มาตัญหาเป็นต้นหมดไปแล้วเนะี่ยสติจะภัยบู์ผู้นั้นแหละย่อมขวนขวายร่ำอยู่ในคุณอันตนแทงตลอดแล้วมีฌานและวิปัสสนาเป็นต้นด้วยการนึกถึงด้วยการเข้าสมาบัติด้วยการออกจากสมาบัติด้วยตั้งใจอยู่ในสมาบัติและด้วยพิจารณาถึงเอาแล้วนะ คือท่านมีคุณอะไรบ้างเหมือนกับเรามีสมบัติน่ะคุณยอมไปเปิดตู้สมบัติดูแล้วก็นั่งนับดูแหมเรามีสร้อยทองเท่านี้มีแหวนเพชรเท่านั้นมีเงินเท่าโน้นมีอะไรก็นึกถึงสมบัติของตนนะแต่นั่นมันความโลภนะไม่มีสติเตออะไรหรอกไม่มีหรอกชั้นใดก็ดีท่านก็มีคุณของท่านคุณของท่านมีอะไรล่ะคุณของท่านก็มีนี่นะ เอามีชานท่านเข้าชานท่านเข้ารูปประชานตั้งแต่ชานที่หนึ่งถึงชานที่ห้าเข้าได้นะเข้ากสินกสินดินน้ำลมไฟอะไรท่านทําได้หรือเข้าเมตตาพรหมิหารเป็นต้นเอาแล้วท่านทำคุณอะไรอีกวิปัสสนาเอากําหนดลักษณะของรูปออรูปมีลักษณะประจำตัวคือมีลักษณะแห่งความย่อยยับรูปนี้คิดไม่ได้รูปนี้ไม่มีเจตนา นะไม่เหมือนนามคือมันไม่รู้อะไรรู้อะไรไม่ได้ออาวนามมีลักษณะอย่างไรนามมีลักษณะรู้อารมณ์ลักษณะของรูปของนามนี้เกิดขึ้นแล้วดับไปท่านจะขวนขวายอยู่ในสิ่งเหล่านี้หรือโลกรุตระธรรมที่ท่านได้บรรลุถึงแล้วนะคือผลละสมาบัติที่ท่านได้ได้ไดถึงแล้วหรือนิพพานที่ท่านได้เข้าถึงแล้วหรือทําให้แจ้งแล้วท่านจะขวนขวายอยู่ในสิ่งเหล่านี้ เพราะนั้นก็นึกถึงนึกถึงฌานแล้วเข้าฌาน อ, ออกจากฌานอาตั้งอยู่ในฌานพิจารณาฌานเข้าวิปัสสนาอีกเข้าผลรัสมาบัติทาอยู่อย่างนี้เนี่ยความหมายของคว่าย่อมออกซึงจริงๆแล้วแปลไม่ถูกตัวเองว่าแปลไม่ถูกนะแต่ไม่มีความรู้บาลีก็แปลตามเข้าไปท่านผู้มีสติย่อมออกท่านย่อมไม่ยินดีในที่อยู่คือความยินดี ห่วงใยของท่านไม่มีในที่อยู่วะแหมที่นี้เราอยู่มานานที่นี้สวยที่นี้มีค่ามีราคาเราไปไม่ได้ไม่มีนะท่านละความห่วงใยเสียเหมือนฝูงหงละเปืดอตมไปฉะนั้นคือความห่วงทั้งปวงเนี่ยไม่ไม่มีกับพระอรหันต์จะห่วงใครล่ะในเมื่ออะไรอะรมันก็ไม่มีค่า เพราะว่าสิ่งที่มีค่าเนะี่ยไอ้ความโลภมันบอกนะเราอยากได้สิ่งนั้นเพราะสิ่งนั้นมันมีค่าแก่เรามันจะมีประโยชน์แก่เราเราจริงต้องห่วงแต่ว่าของท่านเนี่ยไอ้ความโลภมันหมดไปซะแล้วแล้วจะไปเห็นอะไรมีค่าไปเห็นอะไรมีประโยชน์มันไม่มีแม้ตัวท่านเองท่านยังไม่เห็นว่ามีเลยแล้วจะไปเห็นว่าของเรามียังไงมันก็เป็นไปไม่ได้ จะไปเห็นว่านี่กุติของเรานี่ตระกูลของเรานี่ญาติของเราไม่มีหรอกท่านเปรียบเทียบเหมือนฝูงหงฝูงหงนี่ถือเอาเหยื่อของตนในเปลือกตมอันบริบูรณ์ด้วยเหยื่อแล้วคือไอ ห, หงเนี่ยหรือฝูงนกเนี่ยมันไปหาเหยื่อกินะ่ะไปหาอาหารกินในเปลือกตมเมื่อกินแล้วมันก็บิดไปมันไม่เคยคิดว่าเออนี่มันน้ำของเรานะเออนี่มันดอกบัวของเรา เออนี่มันดอกบัวเขียวบัวขาวของเรานี่มันย่าของเราไม่ใช่อย่างนั้นมันลงไปในสระน้ำไปหาปลากินหรือไปหาอาหารกินของมันแล้วมันก็ไปหาความเสียดายไม่ได้เลยละสถานที่นั้นบินแล่นไปในอากาศชันใดพระหันทั้งหลายก็ฉันนั้นแม้อยู่ในที่ใดที่หนึ่งไม่เกี่ยวข้องแล้วในสกุลหรือในปัจใจสีหรือในวิหาร ทั้งหลายทีเดียวแม้ในขาวไปก็ละที่นั้นไปหาความห่วงความเสียดายว่าวิหารของเราบริเวณของเราอุปัถาของเราไม่ได้เที่ยวไปเลยไปทันทีเลยคําว่าละความห่วงใยเสียอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่ได้ที่บอกได้เลยว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วคือได้อรหัตมรรคแล้วอรหัตมรรคนี่มันประหารความโลภนะ ถ้ยังไม่ยังไม่ได้อรหัสมากในความโลภมันยังมีอยู่แม้เป็นพระนาคามีมันก็ยังเออนี่บัญชาญของเราล่ะชาญสมาบัติของเราแล้วยังมีอยู่นะยังชอบเข้าชาญอยู่ยังยินดีในชาญของเราได้ยังยินดีในภพที่จะไปเกิดอีกได้เมื่อจบพระธรรมเทศนานี้ชนเป็นอันมากก็บรรลุอริยผลมีโสุดาป r m a ิตพจเป็นต้นนี่ก็เป็นคุณธรรมของพระมหากัสปะเถระของท่านที่เราทั้งหลาย ได้ทราบแล้วเนี่ยก็ควรที่จะบูชาท่านและลึกถึงท่านอยู่เสมอๆ เ, เพราะเราเนี่ยมันเต็มไปได้วยความห่วงชีวิตของเราอะนะไม่รู้ห่วงอะไรนะักมันจะรู้ว่าอีกตอนไอ้สิ่งนะั้นมันมันมันพินาศไปแหละจะรู้ว่าห่วงหรือไม่ห่วงบางทีไอตอนอยู่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แต่พอตอนเราจะตายแล้วคราวนี้แหละคราวไหนลองตายดูสิจะไม่ห่วงอะไรเลย จะทำได้ไหมแม่มันคงจะตอบว่าไม่ได้นะมันยังทำไม่เสร็จเลยอะในเรื่องต่างๆที่เราอยากจะทำเนี่ยมันยังอีกเยอะเลยเป็นอย่างนั้นยังห่วงกังวลอยู่ไอ้ห่วงของเราที่ห่วงเนี่ยท่านสรุปไว้โดยเฉพาะเวลาใกล้าตายก็คือห่วงชีวิตอยากอยู่อันนี้เป็นอันดับหนึ่งมันไม่อยากตาย ต่อไปก็ห่วงกามาคุณนะของของเราห่วงไอ้รูปเสียงกินรถสัมผัสจับสมบัติบุตรล้านที่ดาอะไรอะไรต่างๆของเราเนี่ยห่วงแล้วก็จะห่วงต่อไปก็คือห่วงพบหน้าว่าเอ๊ะเราตายไปแล้วเนี่ยมันจะไปเกิดที่ไหนแน่เนี่ยจะได้มาเกิดในเมืองมนุษย์อีกหรือเปล่ามันยังห่วงต่อไปได้อีกก็ เราก็ควรจะระลึกถึงคำของพระพุทธเจ้าที่ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านไม่มีความห่วงใยในสิ่งทั้งปวงไปได้ทุกเมื่อลายที่ไหนก็ได้หรือจะบริพารเมื่อไหร่ก็ได้เราเนี่ยนับถือท่านก็ควรจะทำตนให้เป็นผู้ไกลาจากความห่วงวิธีที่จะไกลาจากความห่วงได้เนี่ยมันก็จะต้องจเจริญ สติปัญญาให้เกิดขึ้นนะนะการการเจริญสติปัญญาเนี่ยมันจะทำให้เข้าไปรู้ความจริงของชีวิตซึ่งมันไม่มีอะไรหรอกนอกจากความทุกข์เท่านั้นเองแล้วห่วงก็ได้แต่ความทุกข์มาไม่มีอะไระไม่ได้อะไรเกินกว่านั้นนะนะได้ความทุกข์เข้ามาเพราะเราห่วงก็ห่วงอะไรมันก็ไอห่หวงรูปนามอะ ให้รูปน้ำมันก็มีความทุกข์มันก็ได้ความทุกข์กันเข้ามาก็ต้องจเจริญสติปัญญาให้มากๆกว่าไอ้สิ่งที่เราควรจะห่วงกังวลก็คือบุญกุศลอีตอนเนี้น่ะเรายังมีความโลภล่ะแต่ว่าให้มันใช้ให้มันถูกห่วงว่าเรามันบุญน้อยนะเมื่อไหรเราจะบุญเท่าพระมาหากัสปะทัทีเนี่ยเมื่อไหรเราจะได้พ้นทุกข์ไปสักทีเมื่อไหรเราจะได้หมดกิเลสทันทีห่วงอย่างนี้ แล้วก็สะสมบุญกุศลเข้าไปบุญกุศลนนะ่ที่ควรจะทำได้ง่ายก็คือการรักษาศีลการเจริญภาวนาควรจะทำเราเรื่องของทานเนี่ยบางทีมันมั น, ม, นมันทำไม่ได้ง่ายมันต้องมีการตระเตรียมวัตถุสิ่งของหาคนมารับทานอีกอะไรอีกอย่างเนี้ยแต่ไม่ใช่ว่าห้ามทำทำแต่เราต้องห่วงว่าเอ้เราจะตายแล้วเนี่ยเราจะ เอาบุญไปได้แค่ไหนกันบุญที่เขาจะต้องไปใช้กันเป็นสเสบียงเดินทางไกลเนี่ยเรามีพอหรือยังห่วงอย่างนี้นะแล้วก็สะสมไปไม่ต้องห่วงคนอื่นแล้วไม่ต้องห่วงสิ่งอื่นอันนี้ชื่อว่าเป็นการห่วงโดยแท้จริงคือคือใช้ไอ้ความโลภให้มันเป็นประโยชน์ว่าว่า เราจะต้องห่วงเรื่องบุญกุศลนะบุญในนี้ยังไม่ได้ทาเลยนะบุญในนั้นก็ยังไม่รู้จักเลยคําสอนในนี้ก็ยังไม่เข้าใจที่พึ่งกันนี้ก็ยังไม่ได้อันนี้ต้องต้องคิดอย่างนี้แหละอย่าไปคิดว่าใครจะมาช่วยเรานะเราห่วงเขาเขาก็ช่วยเราไม่ได้เขาห่วงเราเขาก็ช่วยเราไม่ได้แต่บุญเนี่ยเมื่อเรามีแล้วเนี่ยบุญนี่มันห่วงเราเองอ่ะบุญมันมาช่วยเราเองมันรักเราเองมันหน้าที่ของมัน พระมหากัสสปะเทระท่านมีอายุยืนมาถึงหลังพุทธปรินิพานท่านอายุร้อยี่สิบปีนะในขณะที่พระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่นั้นท่านก็ไม่ค่อยได้ออกหน้าออกตามีบทบาทอะไรมากนักเพราะท่านเป็นนักปฏิบัติคือเป็นผู้ชอบกระทาตามธรรมวินยัยไม่ชอบคลุกคลีไม่ค่อยชอบพูดสอนคนอื่นนะสอนแจว่า ไม่สอนมากไม่เหมือนพระมหากัสสปะขอภัยพระ ม, มหาขอภัยพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรชอบสอนเห็นปุ๊บละใครทําผิดแล้วก็ไม่รอแล้วนะไม่อดทนรอแล้วบอกเลยด้วยความที่ท่านเป็นผู้อนุเคราะห์เขา่สอนทันทีเลยพระโมคคัลลานะก็เหมือนกันนะจะไม่ได้ว่าโมคคัลลานะในวันๆเอาแต่สแสดงฤทธิ์ไม่ใช่ สอนสอนอภิธรรมมีติดเป็นเป็นผู้เรียนอภิธรรมเยอะแยะเลยและอภิธรรมเนี่ยไม่สอนไม่ได้อะเพราะว่าเขาจะตัดไต่ถามปัญหากันมากแล้วท่านก็จะสอนมากด้วยแต่พระมหากัสปะเนี่ยท่านชอบปฏิบัติก็เลยสอนน้อยหน่อยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็บางทีสอนแล้วเนี่ยคนเขาไม่รับพระภิกษุสมัยนั้นก็ไม่ค่อยเอาเรื่องเหมือนกัน ก็เลยไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ค่อยได้สอนมากเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะแห่งภาษาวกผู้ใหญ่ผู้มั่นอยู่ในทุดงควัตแต่มาปรากฏความสำคัญหลังจากที่พระมิรภาพเจ้าเสด็จดับขันธบริพานแล้วม่เรื่องสำคัญมากอาตมาถือว่าท่านท่านเป็นภาษาวกที่ยิ่งใหญ่มากเลยคือถ้าไม่มีท่านแล้วเนี่ยถ้อยคำเหล่านี้จะไม่มีมาถึง เรื่องของพระเถระต่างๆนี่จะไม่มีใครรู้อยาว่าแต่เรื่องของพระเถระอะเรื่องของพุทธเจ้าก็จะไม่มีใครรู้ทุกวันนี้เนี่ยมีพระไตรปิฎกยังไม่มีคนไปรู้เลยแต่เราชอบพูดกันเลอกเกิ น, นหลวงปู่นั่นเก่งอย่างนั่นหลวงอาจารย์นี่หลวงพ่อนั่นเก่งอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่างๆจะมีแต่เรื่องอย่างเนี้ยเต็มประเทศไทยเต็ๆๆมโลกเรื่องจริงๆของพระอรหันต์ทั้งหลายนี่ยจะไม่มีใครรู้ แต่เพราะอาศัยความดีของพระมาหากัสปะเถระเนี่ยเรื่องของพระพุทธ เ, ทเจ้าและพระเถระทั้งหลายและพระธรรมคำสั่งสอนที่บริบูรณ์จึงได้ทรงไว้สืบมาจนถึงเราทุกวันนี้เป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่เราคิดดูกันแล้วกันเทว่าถ้าถ้ า, ถาเผื่อว่าพระไตรปิฎกไม่มีเนี่ยในวันเนี้ย เราจะพูดกันเรื่องอะไรเราจะเอาเรื่องอะไรมาพูดแล้วพระเนี่ยจะบวกันยังไงจะบวกันยังไงเนี่ยพระหรือบวชเราเองต่างคนต่างกระบวชท่านบวชเองผมบวชเองไม่ได้นะไม่ไดนะ้จะต้องมีการรักษาแบบแผนธทมเนียมข้อปฏิบัติกันไว้แล้ววิธีการที่จะทำได้ดีที่สุดก็คือการทำสังขยาา ถ้าไม่มีการำทำสังขยาณาจะแล้วเนี่ยความสำคัญของพระธรรมวินัยของผูเ้เผยเจ้าจะหมดไปทันทีเลยจะเสื่อมสิ้นไปทันทีเลย <c oughs> เพราะใครก็จะไม่มีความเคารพก็ได้จะพูดกันยังไงก็ได้จะทำกันยังไงก็ได้นี่เป็นเรื่องสำคัญที่ถือว่าท่านเกิดมาเพื่ออนุเคราะห์พุทธบริษัทรุ่นหลังจริงๆล ในคำพีทีคานิกายมหาวัคและมหาปริยพานสูตรได้กล่าวไว้ว่าในคราวที่มนลักรรษัตริ์ทั้งหลายอัญเชิญพระบรมศพของพระผู้มีระภาคเจ้าขึ้นประดิษฐานไว้บนพระจิตกาทานหรือเมนนะ่ะนะเมนมาส์นะั่นพระมหากรสปเทระพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ห้าร้อยลูกได้เดินทางจากเมืองปาวามาเมืองกุศิาราคือเมืองนี้ไม่ไกลกันนะัก แต่เนื่องจากว่าท่านเนี่ยมาทีหลังในเวลาเดินทางมานั้นก็ได้แวะพักที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ริมทางในครั้งนั้นเองก็มีอาชีวกคนหนึ่งอาชีวกในนักบวชนอกาศาสนาพุทธได้ถือดอกมณฑรพบซึ่งเป็นดอกไม้จากสวรรค์ที่